สิกขาบทที่หภิกษุณีห่วงตระกูลต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังห่วงต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อห่วงแล้วต้องอาบัตปาจิตตี